การไสบาัดให้ทางนี <h ung> ้เป <laughs> <"T un S 2> <laughs> ็นการเดินทางไหมเป็นการเดินทางมไม่ทรไม่ทำอะรเนารรับมทตอรับควา การน่าสนใะตัดเป็นหนึตัอนนเ้าาก้ังเรืองกำลัง่เร 50, ่ที่ห้องรถแต่ไม่ได้เริ่เลย การปฏิบัติทถึงจะเป็นก้าวแรกวันได้ปฏิบัติทถึงจะนกดวันคปราชญ์มาิะ ทุคกคนอย่ามาดีแค่แค่ท า, า, านแค่ั้นให้ปฏิบัต พวเราม่ายๆก็หมดแล้วแต่ยิ่งมันเรือแต่ไม่ใช่แค่มันักบุญนะพวกเราเที่เว็กนุษย์เ้องเป็นมนุษรอเกิดจริงหงวัดตาม่ไหวเครื่องต่งหน้าแบบเต็มรูปแบบยังไั่กี่เดอตรงนี้ สิ่งไหนทเป็นประโยขอให้ดคุณง่องของเรื่องของคนอืนร่งองกว่าการแก้ไขน่้มน ต้องมองมองระดับความเป็นบุญในศาสนาเนี่ยมีกี่ระดับมีการให้านมีการักษาศีลมีการปฏิบสมาธิเข้ามาการให้ทานี่เป็น เป็นบุญสั้นต่ำ ม, มากในพระพุทธศานาเราจะมาจีนในตรงนี้เหรอยนี้เราว่ามีบุญมากนะพระศาสนาะคิว่ามีบุญมาที่สุดแต่ผู้ม า, าสวดพรนะศาสนาไม่ถูกต้องไม่ควที่จะให้ นาทีที่อุทีนมันเข้ามันน่าจะเข้าสรีเนี่กันทุกคนนลเนะถ้าออกแกมมือมันลุกไปนะ เนี่ยเราบอกได้เลยรอยเปเนไม่เจออีกแล้วสาราาพราะว่าสาระเนี่ยพวกคนไม่คิดแต่เจอสานาเนี่ ย, าายถ้าผู้ศรัทธาเข้าใรัะว่าไม่มีสานะก็มีการให้ทานประจำโลกอยู่มีสินห้าประจำโลกอยู่ ที่นี้มาดูระบบสองอย่างนี้ที่นี้มีศาสนาแล้มีศาสนากุการให้ทานของตอนเี้กว้าง ม, มากใช่ไหมจะให้ทานบัดไหนจะให้ทานกลุ่แบบไหนสร้างโบดถสร้างศาาสร้างเกดีนีแต่การให้ทาน สร้างสิง่งมุกสำคัญทั้งนั้นแต่วถวายพ้ะอรียะสงฆ์ท่านพุทเจ้าประกาวเอาไว้ว่าเป็นนาุนของโลกเพราะอะไเลยกวา า, างมาทคำมากผสมุมากเดี๋ยวนี้นะ่ทีนี้ถ้าไม่ไเจอศาสนาพุทธเา ก, ก็ระกาศเัไว้ว่า ม, มีสินง้ายนะแต่ ที่ห้าหมู่บ้านจะมีคนรักษาศีลสั่สคนเนึ่งแทบจะไม่มีแต่ก็มีทีนี้การให้ทานไม่มีศาสนาก็มีประจัยโลกอยู่การให้ทานจะไม่มีถ้าบอกนี้เนี่ยจะให้ พี่สาวเรื่องให้น้องสาวเล้ยให้พี่ชายเล้ให้พ่อให้แม่ให้เพื่อนที่รักแค่ๆซึ่งอนุภาพของการให้ทานก็เข้าขี้เล็ยจะให้ทานเหมือนหวาพิ่ที่พวกเราทำอยู่นี่อมีถ้าไม่เจอศาสนานะีะฉะนัเจอศาสนาปุ๊บ คนยังจะมาเว้าพูดบนุญบนุนอยู่กับการให้ทานเนี้ยคื อ, อยิ่ใช่เลยพิษษษรีศาสนาต้อรต้องใช้เราบอกว่าอย่างไงให้ายางทำบุญให้ครบวงจรทาก็ให้มีศีลก็ให้มีสตาปิฏก็ให้มีจะเป็นคนที่ไม่อยากจนเลยใครที่ไหนก็ดีไปหมด อย่างนี้พวกเราเป็นนุษย์ก็เราใน้านเราบอกว่าตัวเอเป็นคิดมันเหมอนแต่คนที่เราทำ พระพุทธเจ้าไม่ใช่ใครที่ไหนพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งกายและใจที่จะมารับพวกเราไปรับ อ, อิพานพระพุทธเจ้ารเราไม่ให้เรานท่านรับเกิกเราไม่ฟังไม่มาเราเป็นมนุษย์มนุษย์เสียพหนึ่งนิด อีประเภทนดีนี่แหละลองนักนกตั้งแต่เช้าโอ้คุณนอยู่ทส่ไหนก็อยู่ในนี้นแต่ประเภทนี้ต้องอยู่ตอะนี้เป็นสตีประเภทหนง่เกิด้อยางเหมือนกันนะ เราเป็นมนุษยเองนะเดียร์ไม่ยาเหอนกัแต่ที่นี้มเาเจอศาสนาเนี่ยพเราเอาอย่างนี้ การแก้ไขสุดท้ายจบลงรุงจบลงกับคำสอนของพระพุทธเจา้าแต่พวกเรามาถึงขนาดนี้ผู้มาอาจารยมาเทศข น, นาดนี้เพราะยังคอยังคอตัวเดินตามเส้นทางที่สัพพะไปเกิดไปใจอยู่ในพเพราะหลงภู ม, มิได้พุ๊บ มนแห่ตื่นเข้าไปลูกศีษหลงูมั่นเข้าสู่ระบบการแก้ไขในตีโพท่านไปหมดแลอย่างนี้เขาก็ท่องท่านแลิ่มท่านก็ประเทศก็พูดก็สั่งก็สอนมาแนานำเพราะเราเปนอย่าง ปล่อยตัวให้อยู่ตามธรรมชาติธรรมชาตินี่แะคือเส้นทางระบบเดิ ม, ดมที่จะไปเราอยากบอกพุกคุณว่าหยุดเจนนะถ้าสงสารตัวเองหยุดเจนนะ ถ้ารัตัวเองหยุดอะไรหยุดเรื่องของคนงงนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าคุณไม่หยุดตัวนี้คุณจะไม่เห็นตัวเองเลยคนที่ไม่เห็นตัวเองพระพุท ธ, ธเจ้าตรเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าคขาจะหมามั่นภบชาติของเขาว่าเป็นมนุษย์เขาก็ไม่ แต่ตาเราได้กับศัพเลยไม่ได้านะไม่ได้ด่าเราเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่สุขสงสาสัตว์อยูนๆแม้แต่เพื่อตาเรเอง เป็นพุทธที่็กแก้ไขจิตใจตามหะของพระพุทธศาสนาได้ผพรอดเบิกเดชวัดอื่นที่มีร่างกายก็มีระบบเดราชานเท่นั้นสามสิบเจ็ดภูมิเทพบกุฏิบรรดาเปรตสีหีนคงลุมยับาสนาโลกพวกนั้นไม่มีมีรกับ ศาสตาเนี่ยค า, ว, าว่าเรื่องของคนจื่นสิงอื่นตัอื่นเขาต้องมีเทวานิชก็มีเทวานิชก็มีอินโทรก็มีแต่เขาอยู่ในระบบของความเป็นโครงเขาไม่ได้ใช้ใตรงนี้แต่ถามว่าถ้ายังไม่ได้ตรถอนคุณจะไปอยู่ยิมอยู่โครงที่ไหนก็ไปเถอะตัวนี้ยังติดแนกอยู่ ตอนท th ี่จะออกผลได้ทุกเวลาทีนี้เราจะปล่อยตัวให้อยู่กับความเป็นธรรมชาติจะปล่อยตัวให้อยู่กับระบบของความเป็นธรรมชาต มีการเปนี่ยของเองจันั้นนีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นผูติดตามมีกานเปนเลีนที่เป็นอาศัยมงจรของการมเรามาอยากคิดว่าเรามา เ, มาเามาปล่าๆไม่ใช่มงจรของการของใครของมันทุกคนอยู่ในระบบบาราที่กำลังใช้กรรั้นั้นพวกคุณยังถือว่าสุกสบายอยู่หรอ ไม่ใช่นะแล้วก็ขอบอกอีกอย่างหนึ่งว่าการเกิดการตายของพวกเราแม้ใชาติปัจจุบันเกิดเป็นมนุษย์ถ้าคุณมุ่งวังว่าสิ่งใดสิ่งึงจะมีความสุขสําหรับคุณแล้วเนี่ยคุณคิดผีดแล้วละ่ะจะมาตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นความสุขเนี่ยคิดผีดแล้วล่ะไม่ พระพุทธจเจ้าแต่ทไมวะเกิเป็นมนุษย์ถึงจะเต็มไปด้วยวัตถุ ส, สิ่งของข้าวของเงินทองวันสุดท้ายเต็มตัวเลยวันที่จะไม่มีอะไรคือวันนะั้นอิจวอะ ไ, ไม่ได้ทัศนีไม่ว่าบัตถุสิ่งของไม่ว่าบุคคลที่เราหมายมั่นว่นเป็นของเรา จโมขูขันบันนั้นทีนี้พ อ, อจเมือมือใไ่สมมติว่าเป็นอินเป็นปรุงะใช้ อ, อะไรฟ้ามูวันจะใชาอะไรหมดอายุไขจากินจากปรุงก็ลงมเมืองเปล่าเนี่ย สมอเราเป็นธทมดาหมดอายุไขว่มาแมตราถ้านีกรรมไม่ดียังฝังอยู่เขาก็จะส่งเรอไปอีกที่หนึ่งซึ่งมาจากความเป็นธรมดาเป็นอิ่เปิลโปรถ้าจะอยู่บนโลกจะได้มาละมึงมนุษยชาติหนึ่ง แค่เป็ น, นเยวลาความเศร้รออยู่คอามเทร้จีไม่หยครับลงข้างล่างสุ้มๆต่ำๆรุ่มๆโดนๆาอาลที่ตายใจยไม่ได้เพราะฉะนั้นสรุปแล้วการเรียนไหวตายเกิดไม่ได้ไปเอาอะไรจากนะ ไม่ได้ครับไม่ได้แตเอาอะไรสักอย่างอย่คิดว่าไปเอามีหน้าที่เกิดตายเกิดตายนี้ใช้ได้เฉพาะมนออกจากมนมุษย์ไปสมมติว่าบุญพอที่จะได้เกิดเป็นเทวดาไม่ได้ไปเข้าร้องใครเลยเปลี่ยนชุดเทวดาขึ้นเลย เปลี่ยนสุดเลยไม่ได้เกอเป็นเดีกอย่างนี้นี่คืะแสดงธรรมะให้เห็นที่จะจะัะที่สุดคือการเกิดแล้วเก่ดแล้วเก็ดแล้วตายประกอบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะที่ไม่มีคำเทศบรรยายก็คือเกิดเกิดเก็บตายใครเข้าไปยืมประู้นั้น หน้าที่ของเขาเกิดแล้วเขต้องไปทางนี้คุณจะเบีเ้งเขยมให้เขาไม่แก่ไม่ เ, เก็บไม่ตายเนี่ยหรือเปล่าุสิ่งี่ใช่เนี้ยงดูผู้เสื่อเขาดีขนานดะไหนไม่ให้ราทการทำงานให้เขานอนแล้วทานอาหารระดับพัฒนาทารหรูๆจนถึงวันตายเขาแก่ไหม เขาไม่ปลอมใครทั้งนั้นเขาไม่ปลอมใครทั้นั้นคุณจะพอใจหรือไม่พอใจเขาไม่รู้นี่คือผลทางเดินของร่างกายจุดจบก็คือลงไม่เข้าไม่ออกเมื่อลมไม่เข้าไม่ออกแล้วจิตปิญญาซึ่งเป็นตัวเราจริงๆนี้ก็อยู่ไมด้อยู่ไม่ได้ของพระศิษยแสดงบทบาททุบชาติต่อไป เพราะฉะนั้นพระพุทธจามาหาพวกเราคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่ที่มีคุณค่ามีราคามากที่สุดของปรีที่มีคุณค่ามากที่สุดคือคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่จะสอนให้เราออกโกรกวัฏฏายได้แต่วพวกเราเพราะฉะนั้นเราอยากให้พบกคุณจุดจุดเรื่องของความผิด หยุดเรื่องของเสียงอยื่นพออยู่พอกิงขอเพียรเรื่องของคนสื่นเขาจะระับถ้าคุณชอบส่วนอื่นๆไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์จะไม่พอ ย, ยังกลับกลายมาเป็นโทษอันดีถ้าคุณต้องการสมาธิถ้าคุณต้องการความราบเรื่อยในการเป็นในการ ดำเนินชีวิตขอคุณถ้าคย่างนันอย่างนี้ตับตรงนั้นตรงี้อยู่ที่โอ้นรู้ไหมว่าเสี่ยงนามหลุมพาทั้งนั้นอ น, นั้นน่ะต่อการเดินต่อขนางเดินของชีวิตการเป็นบาปเป็นกรรเป็ น, น, นเสี่ยน่ํามเ็กกน้มาติมตันอย่างทื่อาเห็นอยู่ทุวัอย่างนั้เพะ ตั้งใจเชิเธอเราว่าเจอครูบาอาจารย์ระดับเพชรนัหนึ่งเพชรน้หนึ่งเพชรน้หนึ่งมาตั้งใจกับตัวเองเชิดการปฏิบัติที่ดีท네ี่สุดคือการปฏิบัติตัวถ้าไม่รู้จักตนในหลักของพระพุทธศาสนามันก็จะเกิดไปนะ เราคมาเมื่อท่านเจอศาสนาทุกท่านหยุดเลย่าหมุนตัวกลับเลยเราจเข้าสู่ระบบของการแก้ไขจุดจบของการเรียนว่าตาเสลือไมแต่เข้าสู่กัรระบบของการแก้ไขโดยใช้คำสอบของพระพุทธเจ้ามา เป็นเครื language, ่องสุดท้าตของเรานะจบลที่จะพวราพูเชื่อมั่นอ่ความนี้่าทจะคิดได้ไหมศาสนาตั้งอย่างนี้เราเกิดขึ้นมาอาของเราไม่ขึ้นนะขึ้นนะขึ้น มาขึ้นมาตรงขนาดนันกยังไม่เอาเลยเดี๋ยวนีม้มันเในวันนี้เห็นไนถ้าใจผู้ก็คือผ่านไปชีวิตเจ อ, จอแต่เจอลักษณะที่ว่าผ่านย่ไม่ให้บิดเยข้าสู่การแค้ไ พระธรรมคำคสอนของพระสัมมาสันพุทธเจ้าคือเป็นสิ่งที่จะชักนำให้จิตทุกดวงเข้าไปรู้สภาวะของความเป็นจนริงเจไหพระพุทธศา ส, สนาเป็นเครื่อง ถ้ามันเป็นทุกข์เราเข้าโลกขออันป็นท so ี่ถ้นีจะต้องรอใครเรารอใครไมาเขียนพุทโธให้ใจได้ใจโล่งแค่เรเองจะจะบอกถ้าเป็นรถเราเอง สัตว์ a ่างๆเอ้ยนี่มันดีกามือามา ภานนีนะคุณภาของความเป็นโชเปอร์ปดออกไหมเดี๋ยวปโชว์เรอคนนั้นเดี๋ยวโชเอร์มีอะไรแปเอเรื่อากินสามารมีประโยชน์ไหมาหมดแต่โชน์แล้วเาจะง่ มีคุณภาพรับนสูงขั้นสูงที่ทีกว่าท่านมาให้คุณภาพของความเป็นซูเฟอร์ให้กับเครื่องได้ดีห้ามไปชนรักขูดสิ่งของห้ามไปชนเรื่องของคนนั้นคนนี้แต่กพวกเรา ขอบคุณว่าอาหารใจของผู้ชนุนคือการนินทาใช่ไหมถ้าได้จากกลุ่มนินทาเรื่องของคนอื่นมากกว่านั่งสมาธิฉันก็เอาเป็นที่ดอกว่าไหมสอายารนี้ ปฏิจัปฏิบัติให้ตัวเองพ้นจากตรงนีไปเถอจะเป็นผู้หิงที่นาดที่สุดจอดเจจอเจสุิกันอยู่ทุกแง่ทุกมัวเราะดังล่นชหรือาทั้งนั้นเาบอกว่าเอาทิ้ไปทิ กานพูดไปชุดอาทิตย์มาอยู่โมกี้ที่สี่นี้มันเหมือนแบบวิร์เหมือนเวิดเวลานเวิร์เวลาตัวเนี้มันต้องช่เหตุการณ์สถานการณ์สมมติว่าเหตุการณ์มันครบถ้วเมื่อไหร่อ่ะมันนักเิดปุ๊บออกมาเลยที่สิ่ตัวนี้เหตุการณ์สถาการณ์พอเนี้ยกิดปุ้บออมา เม่อเลยออกมาจากทางโทษเ่านั้นถ้าพวกคุณสงสารตัวเองให้ตั้งใจหันหน้าเข้าสู่ล้มบุ ก, กายแก่ใจเสียละธรมก็ยังเต็มไปด้วยรูปธรรมเสียงธรรมโลิ่นธรรมรสธรรมกลิ่นก็อยู่ในโลกทันนี้ท้พระพุทธเจ้ายังอจจบอกว่าไม่เือะ ใ่้เลือกใบไม่เลือกชั้นชั้นวันละนั่งมือคีว่าคีก็ได้หรือจะไปนั่งวัดโดยก็ได้หรือจะไปชั่งอยู่ที่นอนของเราก็ได้ไม่เลือกสถานที่เพราะท่านทําให้สมบูรณ์เต็มที่แล้วให้ผลไม่มีกาพวกคุณจะเอาของฟรีอะไรอีก พวกคุณ จ, จะขอเปลี่ยนค้แจะว่างเนมนุษย์ที่เดียวเะเชื่ยเาบรดเขาถามคันตึด่เลยว่าว ม, มนุษย์ทำไมคนเราป ฏ, ฏิบัติธรรมไดเรานี่อยากจะอยากจะตาย จ, า, ยจากเจียบดเวาอยากไปเกิดเป็นมนุษย์เสียงนี้นจะหน้องสมาธิภาวนาให้เป็นพระอรหันต์ไปเลย แต่ก็ไม่ตายมันก็มาไม่ได้พวกที่ยังไม่ตายจะเป็นมนุษย์อยู่กันไม่เอาแต่ิธานอยป่ปิปุสิกาไหมนั่นปิปุสิกาเนี่ยเป็นพรยาของพระิทธิอยู่บนดงสมาัย น, นี่น อาสมุงรสงครามทุกพรลาของกัตริชักชวนกันมาจะไปเก็บดอกม้ชักชวนกันที่แล้วก็ากันไปไปเหสนวนตกไหมในปฏิภูชิการดั้นหมดอนุขยิปหมดแหนะไข่จากตัวสบันเลยน เจ็บม่อโตขึ้นมาก็จำความได้ว <tr ่าการเป็น well oh! ันยาของพระคอยู่นสวงเหนือต้แต่ราเกิดขึ้นมาปริบัติตั้งใจการใ่จสร้างคุณงามความดีโตขึ้นมาถนอมเองคอยเข้าถึโลกภายนก ประมหาพระสงฆ์พระสรมเนรตอนเช้าตรงมีอาหารข้นานายก็มีน้ำอ่อยน้ำตาลน้ำปลาละายทานสวายานเสรจแครั้งหนึก็มีสารกินทุกครั้งประดาทรูขเขาก็ได้ให้านมันนี้พอพเจ้าตายไปก็ขอให้ไปเกิด จงสันที่สาณีของารพธเจ้าอยู่เถิดทอะไรทไปอุปาเนรเนี่ยเนิชิกาี่แ่ว่า่ลนะ่องคพระเนี่ยเนี่อุปารนนี่อ้างตาไปทีนี้ ก็อายุปไปได้แปดสิบปีก็ตายตายปุ๊บขึ้นไปเลยขึ้นไปสวรรค์ชั้นสามีอยู่เลยขึ้นไปพราะั้นนั่งคุยกันอยู่ยังไม่ได้เก็บดอกไม้เลยยังไมได้เก็บดอม้ได้แปดสิบปีของมันหรอกตอนนี้นะขึ้นไป เขาต้องเขาตถามันไหนเมื่อกี้นีนไปไหนเหรอแล้วปิบัติการก็อธิบายได้ฟังว่าโอ้เมื่อกี้นี้อ่ะแคเนียหมดอายุไข้ความลงากนี้ไปก็จะไปเกิดเป็นคนเลแต่คนุษ ก, ก็ตั้งใจจำนนเันงคารอธิษฐานตนว่าให้เราเกดตรงนี้ มันก็ได้สหมองคิดกินแวที่นี่พวกที่ห้างคุยกันอยู่นั่นก็แหงม่าสามนานว่าเปลี่ยนอย่ไงไรเหรอเมื่อวันรุดงเช้ยวเนี้ก็เห็นเขาว่าทีโอทีนี่มีมนพระมาตื่นมาเทมาทำบุญ เขารปฏบัมกันบ้างไหมเขาเห็ความสัตย์สัมพัของสาสนาบ้างไหมนาปฏิบูริการส่วลยโอ้แต่ไปคิดแต่ฟังเกิดมนุษย์ด้ความนี้มันก็ได้โทรศัพท์อันยิ่งมันก็รีบหยุดเป็นวันนึงอยู่หน้าจอโทรศัพท์มันไม่ยอมพูดโกันเลยนะ พวกน้วก็ได้แต่พูาถึงว่าอมัของคุณเป็นอย่างนั้นพรกภูมิของมนุษจอศาสนาและก็คือว่าเป็นมหาบุญมหาปุษสีทำไห้เขาทำตัวเป็นกาปาของศาสนาเนาะเขาร่า ทำไมเขาไม่ตั้งปกติใจปกพิษปฏิบัติธรรมโทรศัพท์มันเอาใจขึ้นสวรรค์ไม่ได้หรอกโทรศัพท์มันเอาใจขึ้นผลีผลันไม่ได้หรอกถ้าคิดไม่ดีกับโทรศัพท์ก็ทากับส่งตัวเองลงนรกธรไมะี่พุทโธเขาเขาก็ไมเขาเขาจะเอาอะไรกับมนุษย์มันมีครบเดียวเท่านั้นแหละที่จะปกพิษปฏิบัติธรรมได้ ออกมาอยู่อย่างพวกเราเนี้ก็ไม่มีร่างกายอยากที่จะถิงสถิตยอยู่พอที่จะเล่าพูดโตพอที่จะนั้งมาจิพอที่จะขาดเกล้าจิแใจอันนี้ให้ใสสะอาดไปได้ทำไมเขาไม่เอาโอ้เพราะเราเป็นอยงานวินจริณแล้ว่านาปฏิปุิกาใส่ร้ายพวกเรา ไม่ใช่เ่าะจะทำยังไงเราบอกพวกคุณนะว่าจิตใจเนี่ยถึงไงว่าเขาจะไม่ชัดเจนอยู่กับฐานที่ตั้งก็ขอให้เขาตามตัวของเราเหมือนเราใช่ไห้รักษาคนอื่น เรื่องของคนคอื่ถ้าไม่จังเป็นถ้าไม่ใช่อยู่้ับขอเก็บในการที่จะพูดที่จะรู้ที่จะคุยนอกไปกว่านั้นเขาเป็นอย่างนี้มันน่าเสาีย่ะเพราะคุณไม่คิดจะแก้ไขกนโตรงนี้เหรอทำไมที่อเฟฟที จะไปเกิดกับสัตว์อื่นม่มีมิม น, นุษย์ตาทีจะไปเกิดกที่ลในเมืองมนุษย์ก็ีกิดจากที่จิตใจของมนุษย์ที่เดียว่าเรามีจิตใจทไมไเป็นสมาชิกป เมราไม่ได้ไมได้ดถึงมันที่เราออกจากม น, มนุษย์คนใกล้จะตายเขาไม่ได้เขาไม่ต้องการเงินเขาต้องการบุญอีนเนี่ยเขาไม่เคยกินไม่เคยกินอะไรแต่ จิตไม่เคยกินอะไรนะลกตายไปเขามีก๋วยเตี๋ยวไหมกิดมันเป็นธาดรู้ธาตเหนึ่งเท่านั้นซึ่งเขาไม่ได้กินอะไรแต่ถ้าบมพให้สูกับของศาสนาเขาจะมีพลังกิบระบบหนึ่ง แม้มาอยู่มนมุษย์ขเขาก็ยังไม่จะกินอะไรเยอะนพวกข้าวหากทาน้เจียวพ่อคัวเถิ่ถึงล้วนข้าเจียวแ้ทานข้าเจียวหมดไปจานหนึ่งใครอาจประยุ์ไม่ใช่กิดจินนะ จิตเป็นคนนึคกคิดเฉยๆว่าอยากกินก๋วเตี๋ยวอยากทานก๋เตี๋ยวไปถึงงานตารางทานอยู่นั่นน่ะเี้ยวหวานมาันเค็มจิตเป็นผู้รู้พอทานจบลงไปแล้วประโยชนเป็นเตื่องของกายการนี้เมื่อไงเลยเขาตายออกจากสมมื่อเราตายแล้วจิตสิญญาตัวนี้ออกไป เขาก็ไม่ได้กิดข้าเที่ยขา้าวเชาข้เย็นที่ไหนนะแรงตัดดันให้เขาเป็นไปพวกนั้นกนี้คือบาป ก, ก บ, บุดเขา้าเขนะ้าใจไหบาป ก, ก บ, บุดตัดดังให้เขาไปากปกติแล้วเาไม่เคยกินอะไรแต่เขาเป็ น, น, นยนิ้มมานานเสียนนงเสเรามา่รู้ เราเพิมารู้ว่าวันนี้แบบคุณคือเราแต่เขาไม่รู้รู้รู้ตัวของเขาเลยว่าเขาคือเราจนกว่าจะทําให้ใจ ส, สะอาดบริสุทธิ์ถึงจะรู้ว่าเขาเป็นเราเขาไม่คิคดเช่นไรเลยเขาเป็นหน้ารู้แต่เป็นตัวขอเราเดี๋ยวนี้เราเป็นมนุษย์ถ้าบ่านไม่พอออกจากว่างมนุษย์ไปจะเป็นหมาเ น, นี่ยเราพอใจไหม เสงสัยจะไม่พอใจแต่ก็ไม่มีส่วนที่จะมาแก้ไขได้นะคะการแก้ไขคือสนองให้ตามบาระของเขาไปเขาก็จะเปลียนของเขาเองแต่กว่าจะมามนุษย์อีกเที่ยวรู้สึกว่าใช้เวลานานมาอีกไม่เจอแล้วล่ะเพราะฉะนัการเรียนว่าตายเกิไม่ใช่จะบใจเอาจริงใดจริงเน มีน่าอิทธิฤทธิ์เป็นตายที่สุดเพราะฉะนั้นพระพุธเจ้าถึงมาสงสารพวกเราตรงนี้ว่าหนีเถอะหนีเถอะมาตรเป็นคำสอนไว้ว่าเจโกมะโกมีหนทางเดียวเป็นนิยายนิยธรรมที่เอามาบรรยายองค์นั้นก็มาพูดตรงนี้เขามาพูดนั้นคือการชี้หางให้พวกเรา พอเข้าใจไหมระบบของการเงินว่าตายคือตายวันนี้เกิดพรุ่งนี้ทุกสิเปลีนบมดก็แม่เปลียนหมดร่ากายนี้บาบุญก็จะมาแต่งเป็นสุ่อยไปไม่เหมือนเดิมเลยแล้วใช่ป่ะใช้บุญขนาดไหนมาตกแต่งว่างกายได้มาขนาดนี้ แล้วพ่อข้าราชการได้จะมีบาปปีนบุขนาดไหนจะแต่งให้ตัวเองมาเทศในเมืองมนมุษย์อีกทีไม่ต่ำมากหรือว่ามีสิ่งที่จะทำให้จบจบไปเลยคนไหนคิดว่าจะไปต่อก็ไม่ต้องทำอะไรมาก จิตเขาไม่มีเพศไม่มีวัยเขาไม่เคยตายเขาไม่ขึ้นอยู่กับชาติระกูลไหนทั้งนั้นเขามีมีชื่อเขาไม่มีระดูลเน่เขาเป็นนักเรียนว่าตายเกิดโดยธรรมชาติแต่การท้าอยู่บนโลกไม่ลงมาเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะอายุใครมี เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ไม่อยากจะหนีไปเกิดชาติไหนอีกเล ย, ยอยากอยู่นี้ประจำก็ไได้แตนะ่เขาช่วยตัวเองไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาช่วยตัวเองไม่ได้เลยนอกจากคู่เป็นเจ้าของจะตั้งสติแล้วเข้าไปแยกเขา ไม่ให้เสกอารมณ์เพื่อที่จะเป็นสมาธิเเดี๋ยวนี้เขา่วยตังไม่ได้เขามีหน้าที่เสอารมณ์อย่างเดียวนั่งดูเธอควไม่เชื่อตื่นขึ้มารู้ตัวยังไม่ได้เปลนเลยไปรอบประเทศไทย3รอบแล้วจะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไงเขาช่วยตัเองไม่ได้น้ำะคำหิวไป นา้นะเขาติดมาอย่างนี้หลายกับหลายกันแล้วก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเรางหมอว่าผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติตนเข้าสู่ผลนิพาานนี้ยังยงรู้จุดจบอยู่นะผู้ที่จะปล่อยให้ตัวเองเป็นนักเกิดนัไตายนี่ไม่มีจุดจกพอไหม ชื่อตระกูลที่เขาตั้งให้เน่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นส่วหมายที่ตั้งขึ้นมาที่เช่นนะ เขาไม่เป็นชายเป็นหญิงนะอีกตรงนี้เป็นชายเป็นหญิงอย่นี้คือบุญจากอดีตชาติบุญจากอดีตชาติไม่รู้ว่าทำบุญขนาดไหนได้เป็นปีชายทำบุญขนาดไหนได้เป็นปีเพราะฉะนั้นมอถึงจุดนี้เราก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากให้ทุกคนให้การ แต่ก็ให้ทานตัวกันไปไม่ถึงก็ได้ใช้แต่เราอยากให้ยืนอยู่จุดที่มันเป็นยอดแห่งบุตรท่านตัวนี้ล อ, องลงมายืนอยู่จุดไไนี้รย่างทุกที่เชื่อว เราพูดว่าท่านเข้าใจ s นเชี่ยงคำพูดได้แค่ไหนเชี่ยงคำสอนเหมือนผู้สอนเลยจ้ะถ้าภาษาอังกฤษตัวเลยใช่โอ้ยท่าย พยามมองตัวเองให้เห็นโลกตัวหลงเถอะพยายมมองเห็นมองตัวเองให้เห็นวิถีทางออเถเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการทำางานด้วยกันอยู่อย่างนี้ทิฏฐิมันเป็นปกติธรรมดาใช่มากว่าโทษมากไม่ใช่ก็ไม่มีโทษปั้งทิ้งเป็นสิ่งที่สบายใจเใหลือเกิพวกเราพยายามทากันนะคร ทีนี้ไม่มีน้าอะไรนะมีหน้าที่สร้างความเชื่อให้ความเป็นชีวิตเท่านั้นจะบอกให้มีที่จร้าเครื่องมือที่จะให้เราลงนโกอย่างเดียว ม่ไม่ได้พาักาคุ้ยกันเลยรหรอโอ้อ า, าจารย์ค่ับเธอสอบถามหน่ยครับคือสรีถ้ยิงคนเขาพูดหรือเล่ามาว่าการเอากระดูกคนตายออว่าที่บ้านอาจารย์ซึ่งดวงจิตดวงวิญญาณก็ยังอยู่กับกระดูกเหมือนกันเพราะว่าใา้สีแล้วใช้ยแยกสีก็ประดูกซึ่งเป็นภาสีไปแล้ว ก็ไม่น่าจะจะอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเหมือนบางกีเาก็อบอกว่าเขามีกระดูกอยู่ต้องให้ข้าวให้น้ำอะไร<ม>แบบนั้นไม่รู้ว่าดวงจิตดงญาตงนั้นต้อไปคนอื่นแล้วแล้วเขายังอยู่ตรงนั้น ถ้ากระดูกมีอำนาจกรรมมันก็ไม่มีอำนาจจริงพระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมไม่มีอำนาจสูงกว่าังนันไม่มีตเกลี่ยได้ลงได้ัได้จะมาเข้าใจกรูกตรงนี้ว่าจินยานิสิงอยู่ตรงนี้กรรมันก็ดเามันเป็นคนสังที่จะให้เกิดตรงนั้นตรงนี้ถ้ามันจิอยู่ในกระจริงๆมันก็ง่ายอ่ะเนาะ เขามเแต่วนมากมาระยะงเก็จะหมือนลอยคหมดแต่ว่าสมัยก่อนเาเป็นคามชื่อมันมาแล้วก็ในังๆเขาก็ม็บก็ลอยคลาไปไสี่หือหมดแต่ว่าเนก็ยังมีบ้างนย ของพุทธศาสานาเราต้องเชื่อแบบเชื่อก่กรกมนขังใครไม่ได้หรอมันังใครไม่ได้กะดูกมันก็มือนเศษหินเศษทรายธรรมดาเนี่ยสิ่ง <c oughs> ที่ เ, เป็นเน่กาไส้ส่วนหนึ่งพวกคุณมงพริยะแค่ไหน ถ่ารูปทร์ของเ่านั้นไม่ได้หินเี่ยไม่ใชยใช่ไจิตปิญญาไม่ได้อยู่ตรงนั้นรกจิตมันมีหน้าที่ไปาำกานนะอย่างที่เราปฏิบัติที่ายมันมีหน้าที่ละมาน แต่ว่าสิงอู่บ้านั้นไปยังไม่ได้เลยก้ามมันลากไปใช่ไหมเนี่ยกูไม่ยอมคปเกิดไปตายที่ไหนละกูจะไปจะสิงจะติดอยู่บ้านนั้นกูเคยกามไว้เลยละเอาลองดูสิมันไม่ได้มันไม่ได้ก้ามเป็นใหญ่ตั้งแยังไม่ตายมยังลากไปลากมาอยู่เนี่ย แต่ใครมาเกิดอยู่อุตรดิตถ์มาากมาอยู่ร um ิมปางเน่ยพุทานาเนี่ยต้องเชื่อตรงนี้จะดูไม่มีอำนาจใา่ไหที่มีอยู่แล้วท่านก็เอาไป้อยต่อที่เกี่ยวันธุของพ่อเกี่ยวไาย การละเล่นนั่ถึงมันไม่ใช่อันไม่ไม่ได้มาใช้อำนาจของความเป็นกระดูกนะพระพุทธเจ้าว่าเป็นมันเป็นเรื่องของใจพวกคุณพระเจ้าไหมไอ้โดนวิบ้านเน่ยแจ๊กข้าไปชุกไปทุกวันไม่ยอไปเกิงเั้งมีอาแปะคนหนึ่งเนะมีทานโอมีฐานโอ พนะระเฒ่คนนี้เก็บนเศีนะท่านอยู่ไม่นานท่านไปจากเ้ียภาษีที่นั่นคนเอาไปเอาาาเขาได้เพาเขาเจ็บตื่นเช้ามาเขให้คนใช้เอาติดตไประชาคนใชได้เอาติดตไ ป, ป, ป, ปตไ ป, ป วันเาไปได้สงวันวันที่สามนี่ก็ถือว่าฝน ล, ลงเลยฝนลงยังอ่ะชา้าก็ต้องเดินข้าวรองน้ำไปนิ้แต่พรี้ฝนลงน้ำตื่ล ง, ง, ง, งไปไมก็มันนั่งดข้างทาง น, นังดส็โจทย์นังมนานพระชมันดเทวะ ถ้าจะข้าไปไม่ได้แล้วประชญ์ในกินโตัว น, นี้ถวาไหวต้องปรุนะสวายก็ต้องดงแล้วก็แก้ต้องการคือมาแปะัแปะันม า, นะานมนที่หนึ่งฝันว่าภัรจาตายไปแล้ววันที่หนึ่งเขาไม่ไกินอะไร วันที่สองก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยวันที่สามไมเออได้เห็นตโตม า, าู่มาเรียนติโตมาเอาไปกับมาเรียกคนมามงเอาติโตไปไวันวันที่หกับวันที่องเอาติโตไปชิ้ที่ไหนตอนเช้ามก็ไอไม่ได้เอาไปกิ ก็ออกไปไปต่อช้าหน่อแหะวันที่หนึ่งเราไปไปหนึ่งแหลวันที่สอเราไปไปหนึ่งแหละวันที่สามมึงเอไปไหนอ๋อขอโทษวันที่สามมึยออกไปวันที่ฝนมันลงน่ยก็เลยไม่ได้ข้ามน้ำไปไม่ได้ก็เลยเอาใส่บาตรรัโดดสาธเตองเรา วู้นที่หนึ่มันเอาไปปาสาวก็ไม่ได้กินวันที่สองมันอไปปัาสาวก็ไม่ได้กินวันที่สามนี่มันใส่บาตรระรดองไกินไว้ทีนเอาไปผกระกาศเรื่อกับตัวห่อยตรงนี้ว่าสมัยการให้พระที่หนนะครับเอาไปวาไว้ประสาวนี่อไร ก็เลยเกื้อตอาอุปตมประดพระสงฆ์ขึ้นมาพวกเราก็เหมือนการกระดูกระดูะดะมันจะมีอะไรอืมันจะมีอะไรกาทุกคันค่านไม่ได้นิดส่วนบุญส่วนกุศลอุทิท่ให้ไ ม, ม่ไม่มีความหมายอะไรเลย เ <Yeah, S 2> mm hmm. นี่ยนั่งเคร่องเทศเครองช้ำได้สบายอาหารได้หรือว่าไปทำดีที่ใดที่หนึ่งนึกถึงท่านเนี่ยถึงไม่ได้อยู่กับการกราบการไหวอะไรนะไม่ได้อยู่กับว่าอยู่บ้านอยู่ไหนเลยนะของพ่อเราไม้เก็บเ็ษพวกเรื่องขุดหลุมตรงนั้นฝังตรงนานเลย อังเกิอันขาไปไปจอที่ไหนล่ะแต่ผเข้าเราขำนะขำนเขำที่ตัวกรษฐีจิงๆเพาะที่รงาเชื่อตรงนี้ก็ไปที่ไปแค่ได้อะนี่ นี่อย่า ง, างนี้ว่าคุณจะมีอะไรสงสัยหรือจะสอบถามพอดีวันนี้อาจารย์ต้องมีติดต่อนะครับไปวันยาทองอาจารย์ท่านโตเมตตาอันนี้เราเกินเกินถึงคําที่จะคุยกันที่เฉยนะเป็นธรรมะประกอบไปด้วยมันมาเรียไม่ได้คุยกันวันนี้โอกาสหน้าถ้า ม, มาก็ต้องไม่ต่ไม่ต้องทานเอเที่อมกัน นวอเดียวถึงข้าวเยนจดเลยเราพบกลับบ้านพวกคุณก็ทานข้าวไปเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่ดีที่สุดคือโอกาสที่จะให้ตัวเองรู้กับตัวเองถ้าปล่อยให้ปล่อยให้ตัวเองไปรู้กวกคุณนองก็เป่ น, นไม่ใช่โอกาสที่ดี พวกคุณไม่เสียเรเสียใจการเป็นมนุษย์ของพวกคุณนะกลังจะหมดลงแล้วเ้วเสียใจโอกาสที่ไดเป็นมนุษย์เรเสียด้คาสอนของพระพุทธเจ้กากำลังจะผ่านไปแล้วคุณอเวาี้เวลานี้มันเลือ่ค่เวาจะทำงานอยู่แล้วคะ เวลาที่เราเกิ ด, ดน้อยลงไปทุกทีเป็นยังไงที่ทำให้เราสามารถทำปฏิบัติพราหมทีกิจทำหน้าที่ทางงานได้และยังโลุตออกไปสู่เส้น ท, ทางอานิภาณได้โดยที่ไม่เห็นเวลาค่ะได้บอกไว้แล้ว่าเอาปฏิบัติคือกับจิตวิบากแต่การมันคือทำความรู้สึกไม่คิดเรื่องอะไรเล ย, เลยรู้เฉพาะตัว ว่าคนไม่ปดกันเลยทางเข้าอยู่อะไรอรอยสไตสมันยังไปคิดอีสาวคนอื่น ไ, ได้ขับรถเพินไปไมไขับรถอยู่กับตัวเองลมคิดเรื่องของตลอดทไมไม่คิดตัวเองอะ่ะทาไมไม่อยู่กับตัวเองทาไมไม่ินทางตัวเองทาไมไม่คิด เรื่อของตัวเองซึ่งมันเป็นหนทางของพระนิพพานโดยตรงพวกคนไม่เกิเขาเป็นหน้าที่ของเขาอยู่อย่างเนี้ยอยู่อย่างเนี้ยซึ่งเขาช่วยตัวเองไม่ได้ในจิตตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้ต้องผู้เป็นเจ้าของต้องตั้งสติแนละ้วก็เข้าไปช่วยจิตตรงเนี้เยเขาพลังหยุดตกอยู่ในสนาของขอารมณ์ กรงนี้ไม่ได้กขอออกไม่ได้หยุดไม่ได้ด้วยต้างสตีไปมาหยุดหยุดการเสพอารมน้นเขา ม, มาอยู่ในตัวเองเนี่ยคือหนทางก็ริพานนี่คือการก้าเดินเขากินอะไรไม่เป็นแต่เขาไม่มีพลังถ้าเขามีพลัง พร้อมๆกับการกระทำให้ใสายสะดาโมดิสต์สต่อไปพอดีฟังก็คือคนนี้แหละ ทานม า, นววานสุดที่จะชัดเจนมมนะเราว่านะสุดที่จะชัดเจนโมคุมั่งหนทางที่ท่านจะเดินชีวิตเหมือนพวกเราก็ยังมีอยู่นะแต่ท่านหยุดพิชตัวออกจากเส้นทางตัวนั้นเข้าสู่ระบบการแก้ไขสุดท้ายจบหนทางของชีวิตของท่านไปเกิดไปตายก็เลยโ ม, มคลับไปเลยชัดมากอันนี้นะชัดมาก เดี๋ยวนี้พวกเราเอาศาสนาป้องไว้จะเดินต่อไม่แก้ไขแต่ต้องการจุดจบเอาเรื่องอะไรเกิดขึ้นทีนมเรื่องอะไรเกิดขึ้น้างศาสนาเนี่ยต้องการจุดจบแต่ไม่ยอมพิกตัวเองเข้สู่ระบบ ก, การแก้ไข ปลยให้ตัวเองและก็จิตใจได้อยู่ตามระบบของความเป็นธรรมาชาติภาษาที่ทันสมัยสู้วันนี้ก็เดินเดินๆแต่เป็นอย่างนี้เดิมเ ด, ดินั น, นนี้กานนี้เครื่องที่จะห่อจะเกิดน่าต้องสูงพ่พระนิะ้กานนีเ้เนีเ่ เราไม่ได้สูร่ระบบการแก้ไขอาจารยเอกเขาอกว่าเดิ่ๆต่อไปที่อาจารย์บอกว่าให้อยู่กับตัวเองอนะจะที่าาใจอยู่กับตัวเองแลง้วไม่คิดอะไรนียมันเื่อยนะ เ, นะรเพราะว่าคนเรามันติดฝานคิดต อ, อเวลาค่ะคิดมากเรา แ <Okay. S 2> อมมนุชามาช้าแต่ ค, คุณถ้าคุณต้องการแก้ไขก็ซือามาถ้าคุณยังคิดอยู่ก็อย่าได้หวัเลยว่าคุณจะต้องเ็นวเป็นสาเดี๋ยวนี้คุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไรคุณมาฟังเทศมาทำทานให้คุณต้องการอะไร พานไม่ได้เพราะบุญเกิดจากการให้ทานไม่เคยส่งผลให้เขาใครเข้าสู่พานิพานเลยคุณจะให้ทานหมดตัวเดี๋ยวนี้คุณก็ไปไมได้แล้วนี่สานเพราะบุญเกิดจากการให้ทานไม่เคยส่งผลให้ให้ใครเข้าสู่พานิพานเลยจะมีมากเท่ากับ ลูกโลกนีก้ก็ยางไปท่านิพพานไม่ได้พระนิพพานเราต้องการบุคคลที่มีความใสสะอาดบริสุทธิ์ทางใจซึ่งไม่ต้องเกี่ยวกับบุญเลยอาจารย์สบอกว่าสานแรกเราก็ต้องรู้ว่ากจมันเป็นอยงไรก่อน่ เอาไปกันถึงดวงดาวแล้วไม่เคยมาเลยเ ห, รลเหรอเรอไปถึงดวงราวแล้วบ่เนี่ยร ะ, ระนิพพานเขาไมต้องการคน ม, มีบุญพระไิพพานเขาต้องการคน ม, มีจิตใจใสสะอาดบริรสุทธิ์เท่านั้นจะเอาบุญไปสักติดตหนึ่งเนี่ย ก็ไรทิ้งเลยเขาบอกว่าทิ้งริงย่อเอาไปรืนแรงของความสุขที่แท้จริงไม่้มีไม่ไม่ไม่ได้มีความไม่ได้มีิ่งเกี่ยวคนตรงนั้นก็มีความสุขอยู่แล้วยังไม่สดการและฉะนั้นบุคคลที่จะเข้าสู่พระนิพพานมีบุญมากเยื่อเ้าไปไม่ได้ต้องทิ้ง กศึกษาเรื่องจิตใจอยู่ที่ไหนอย่างไงมันถ้าจะพูดอีกมันอ็เป็นการสสำซ้ำต้ำตัวนี้จะตึงเข้าใจไหมเข้าใจไหมเราไม่ต้องการคนมีบุญเือะน่บาถ้าอยู่ท่องเที่ยวอยู่ในวัาตระจำเนี่ยบุญหลับเป็นสิ่งอำมวยความสะสบาย แต่ว่าการบ้านแต่แต่ไปนี่ก็คือมีอยู่ที่เดี่า วัดดอยนะครับวัดอัมพียะรังอันนี้ก็ถือว่าท่านงไปวงไนะครับจะมาอีกท่านวม่มาทีม่เนี้เราก็ได้ว่าิมมีมสมีมลแม้อธิบายให้คนแค่นั้นนี่มันตเลย ควาจริงาการจัดกิจกรรมครั้ง น, นี้ก็ไม่ได้ประกาศออกไปข้างนอกนะครับตอนในวันก่อนที่ไดแล้วก็ผมพูดสนใจในทางาากกว่าในข่าวันก่อนเยอะพอนะครับไมีโอกาสที่เรื่องสถานการโควิดได้ที่คายลงแล้วก็ทางองค์กรก็สามารถให้เราจัดได้เป็นที่อันั้นเดี๋ยว่ว่ากวามจริง น, นะครับ ก, รก็ตัวแทนพอกคุณเนี่ย เมื่อปฏิบัติตเวลาอนนะแล้วที่มันรีกายมันรีมันรีแต่แต่แต่ว่ามันก็ยังมีความผิดผิดออกไปแยกๆอะไรนะคะต้องพิจารณากาต่อหรือว่าจะเอาจะมาถานต่อไปพิจารณาเป็นธรรมเจนได้ไ เขามไม่ไปพิจารณาเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างนะคุณพิจารณาดิเรเสานของจิตยังไม่เป็นสมาธิให้เขาต้เขาก็เรียกว่าอุบายเพื่อที่จะทาให้จิตไม่ออกไปนอกแทนที่บริกรรมพูโทโธบ้างููลมหายใจบ้างกำหนเป็นความรู้สึกบ้ า, างหรือว่าจะ เนื่องถึงตาไตไตคุมพิจนารณาร่างกายเขาเพื่อที่จะไม่ให้เขาออกจาการ่างกายได้นี่คือหนึ่งพิจนารณ า, าร่างกายอีกข้าด้าสองคือหลังจากจิตเจนสมาธิแล้วจิตไม่มีกระแสขอขอกกางเป็นวิปัสสนาก็าให้พิจนารณาล่างกายด้วยความนึกคิดเราพูดแล้วหนาก่อนวานนี้ เอาความคิดเอาพลังของความคิดเข้าไปนสิ ก, กสดิดกระแสได้สิเพื่อที่จะให้สิออกมาเป็นริปัสสนาคือนึกนึกผมคนเล็บฟันเ น, นื้อเอ็นกระดูนึกอยู่เรื่อยๆนึกหรืจะนึกอะไรก็ดได้คิดไปคิดไปถ้าคิดอยู่ถ้าตัวย่างจิจที่เป็นสมาธิเัาก็จะส่งกระแสออกมากระแสตัวเนี้ย มันก็เป็นอารมณ์นี่แหลแต่หนุนด้วยสมาทีเขาไม่ได้บอกว่าอารมณ์เขาเรียกว่าปิปัตตามันจะเป็นสองอย่างีิชาเนี่ยถ้ามันเป็นหนึ่งอยู่เฉยอยู่บางครั้งมีอารมณ์ฉุกคิดขึ้นกลางใจถ้าเรามีสติเราไม่ต่อ สมมติว่าเขาคิดเ่อนั้นถ้าเราไม่ตอเขาก็อยุดพุ่งเลยหยุดเขาพข่งหมดตัวลงไปเลยย้ําๆอะไรอ่างนี้นะสมมติว่าเขาจออกขงนอกเรื่องขัางนอกเอาเรื่องข้างนอกไม่ได้คิดสูญคิดเรื่องข้างนอกเกิดขึ้นเราไม่ตอบเขาก็ไปไม้เมื่อเขาไปไม่ได้เขาพุ่งดตัวเข้ามา เราทำอะไรสักนี้นะแค่เรื่องน้เท่านั้นแล้วมูนแค่หยุดแคนี้เพราะที่เรา อ, อยู่ก็เราวก็ไปรู้ทันทีว่าโอา้เรากำลัคิดเร่นี้เราไม่ต่อให้เป็นเรื่องต่อไปพออเข้าใจไหมคล้ายๆกับอ น, อนิการให้เด็กฟังเราไปถึงขึ้นขึ้นซ่อนแล้วก็อยู่ เดกมันก็โตไปได้แล้วไม่ๆๆท่านท่านต้องท่งว่าอย่างนี้นะเจ้าอารมณ์เนี่ยถ้าเราไม่ต่เอเขาก็ไปไม่ได้เขาหยุดคือจะหกตัวเข้ามารีบสิดับเลยเข้ามาเลยก็ได้อสองอย่างใช่ประเด็ธใช้การปฏิเสธสิกดัดบเลยหยุดคิดเลยอยู่ตรงนี้เลยก็ได้ แต่ทีนี้การที่จะเป็นสมาธีเรี่องต้องเบามากความรู้สึกกับความรู้สึกตัวนี้ต้องเบามากถ้าไปเกิดอาการทื่อจดจ่อตั้งใจจดเลยรืกเด่นเขาจะไม่เป็นตัวเด็ดขาดถ้ามีอาการสออย่างสามอ่าง